มาอยู่สถานที่เพินน่งนี้เป็นสถานที่ทงังหมส่วนมากก็าจากก็าจากอารมณ์เครื่องกรอกควนทั้งหลายที่เราเคยเกี่ยข้องในบ้านในเรือนในสังคมต่างๆ ม, มีอยู่ทั่วไปพอก้าเข้าขมาวัดเราก็ทราบนลว่าวัดเป็นยังไงความรู้สึกมันก็คล้อยต่าง มันเริ่มมีความสับสนวุนวายแล้วเราก็พยายามอบรมจิตใจทั้งเรานะหะที์วุ่นวายกับสิ่งภายนอกที่เคยก่อเกิดนะฮะแบกข้ามสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถอดไว้ใ น, นห้ออ ก, อกซึ่งเป็นเครื่องครอบครัวนิยธรรมาจิตใจให้คอบทร้ำขุ่นเนื้อเรื่องอะไรที่อยู่นอกวัด อยู่ในบ้านครับมันอยู่ในบ้านเคี้ยมันอยู่นอกวัดครับมันอยู่นอกวัดจไปกว้านเข้ามาในวัดกว้านเข้ามาหาตัวของเราเราขอนนควรวุ่นวายอยู่ภายในจิตมันไม่เกิดปะโยกนนอกองนั้นดังเกิดโคตรอยู่ภายในจิตขอตัวเอนให้รับความทกข์ควเอดร้อน ความทุกข์ความบดือดนั่นแหละท่านเรียกว่าโทษไม่ใช่คุณมเมามาสืบสาขานี่เช่นนี้นต่างคนต่างดูหนวใจเจ้ของต่างคนต่างดูใจตัวเองกานั้นแหละเป็นตัวสาคัญมากมันจะไม่ปกติจะไม่อยู่เป็นจุดมันจะคิดเรืง น, นั่นแฉ่เรื่องนี้เส้นเหลืองนั่นืยแตก เมื่อไม่สังเกตมันก็ไม่รู้เรามาถึงสถานที่อบรมนี้เป็นสถานที่ที่จะสังเกดตัวเองท่านเรียกว่าภาวนาภาวนาคือการอบรมจิตใจของตัวทาสอนจิตใจตัวเองแต่ด้วยอุบายวิธีใดก็ตาม หรือด้วยบทบริกรรมภาวนาให้จิตบริยุทธ์ทำบริกรรมนั้นๆเป็นอารมณ์ของใจใจได้อาศัยอยู่กับอารมณ์นั้นๆก็ต่างท่านเรียกว่าการอบรมหรือเรียกว่าการภาวนาการคิดในแง่ทั้งสองหรือการกระทำในในทั้งสองประเภทนี้ ยอมเป็นไปเพรกความแทรกสึมภายในจิตใจและเป็นไปเพรกอุบายแยกหายเพราะความคิดความใจจองโดยทางคติปัญญาใจเมื่อมีงานทาซึ่งเป็นงานที่ถือตามหลักธรรนาที่ท่านสอนไว้ ใจ ย, ย่อมจะได้รับความร่มเย็นเท่าที่ใจไม่ร่มเย็นใจมีความเดือดร้อนเพราะนําสิ่งที่จะให้เกิดความเดือดร้อนเข้ามาคิดมาปรุงมายุ่งมาปวนตัวเองถ้าสิ่งเหล่านี้ยังเข้ามายุ่งมาปวนตัวเองอยู่กับใดเราจะวังความผาสุกสบายจากจิตนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามหักห้ามอัน็รทางที่ถูกแล้วเร่งทางจิตตภาวนาคือการบังคับบรราจิตใจทั้งตัวยากลำบากเราก็ทนเอาเพื่อเพาะทนเพื่อประโยชน์สาหรับใจไม่มีใครที่จะได้อย่างง่ายดาย นอกจากประเภทที่ว่าปุคติตนอยู่ทิดพร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นทำทั้งหลายเรียกว่าที่เหลือยันมีเหลือยังเล็กน้อยพอได้ทราบอุบายวิธีจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมหนไม่ช้าท่านเหล่านี้ หากเทียงเรื่องความทุกข์ความลำบากความฝุกฝนทรมานก็ไม่ได้ใช้กำลังบางชาติตัญญาหรือความบึกดึงมากมายเหมือนผู้ที่มีระดับต่ำยิ่งกว่านั้นเพราะทั้ร้อมที่จะรู้แล้วทำตังเทียบเหมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำแล้วขอได้รับ แสงพระอาทิตย์เท่านั้นก็เยบ่บานที น, นี้เราทั้งหลายไม่ใช่ผู้คนประเภทนั้นเราจะไปทำแบบคนประเภทนั้นผู้มีปริชัาอย่างนั้นมันก็ขัดกันเช่นอย่างไม้บางชิ้นสาเร็จรูปมาหมดแล้วนี่จ ะ, จะใช้กบอย่างเดียว เขาก็ใส่กบให้เชียองเก่าไปเลยไม้บางประเภทมันจังต้องตัดต้องถากต้องฟันดัดทางโน้นดัดทางนี้นกว่าจะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเราก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะเอากบไปใสไม้ประเภทนั้นนั้นขัดกัน และไม้ประเภทที่ควรใสกบเราจะไปตัดไปฟันมันก็ขัดกันไม้ที่ไม่ควรจะใสกบเราตัดเราเอากบไปใสมันก็ขัดกันาการจะใสกบหรือการจะถากต้องดูรูปของไม้ว่าควรจะทําโดยอาการใดนึดถือใดเราก็เป็นเหมวนไม้ประเภทหนึ่งถ้ายังไม่ ใช่คันประเภทที่จะสกบเอาเลยได้จะทําเพียงเล็กเล็กน้อยน้อยก็รู้เนี่ยรู้ผลไปเลยอย่างนั้นเราก็ต้องมีอุบายวิธีหนักลงกว่านั้นคือคืออาจเป็นไม้ประเภทที่ต้องขากต้องฟันให้หนักมือบ้างเราก็ต้องมีการทําอย่างหนักมือบ้างมีการฝากฝืนกันการอดการทลการบางังกดขี่บงังคับจิตใจตัวเอง จิตใจนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่พยายามผลักดันหรือฉุดลากไปในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เหนือนะความเป็นเช่นนั้นได้แต่สติกับปัญญาและความภาคเพียงที่จะต้องฝืน หรือต้านทานกดถี่บังคับจิตที่ทอบคิดเพียงนั้นให้เข้าสู่วงของสติปัญญาผู้ควบคุมให้อยู่ในอำนาจของสติปัญญาคอยเช็าโวดตรวจขันตัวเองเสมอหลายครั้งหลายหนความดื้อด้านของจิตความชอบคิดแสน่นั้นยุ่งนี้ของจิตมันก็ค่อยเบาเลงไป เพราะอำนาจของการกดขี่บังคับการต้าทานอำนาจของสติปัญญาทาักไซไล่เดียทงทักซ้อมกันมันก็ค่อยยอมางไปด้วยถึงจะยากบ้างก็เหมือนเราถากไม้เพื่อจะทำต้นทำเสาบ้านเสาเรือมันก็ยาก ร่งเป็นธรรมดาแต่ก็ต้องทนข้อเหตุผลบังคับให้ทนอันนี้เราจะทำจิตใจของเราเพื่อให้เป็นที่ร่มเย็นเป็นถูกแกป็นเองซึ่งเกียบกับเราจะปลูกบ้านอยู่อาศัยเพื่อความาท้าทุกข์สบายในยบทต่างๆของหลักเราก็ต้องฝืน ต่อสิ่งที่จะมาทำลายบ้านของเราที่เราจะอาศัยให้เป็นความตกขึ้นมาได้จากการอบรมธรรมะให้เป็นนิหารธรรมเป็นเครื่องดีสบายทายานจิตใจเมื่อมีสิ่งใดเข้ามายุบแยกอกควรหรือมาทำลายมาขีดขวางเราก็ต้องพึงอย่าง ต่อสู้กับสิ่งผิดขวางสิ่งต้า น, านทานที่เห็นว่าไม่ดีนั้นมากน้อยตามแต่เหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นมามากน้อยมีมากก็ต้องต่อสู้กันมากเอาเป็นออกตายเพราะว่าเราก็ยอมเพราะเพื่อนำของดีคือจิตนี้ให้เข้ามาสู่ในวงของคำ มีสติปัญญาเป็นผู่ควดคุมรักษาเราทุกคนมีเจ้าของเราเป็นเจ้าของของเราตัวของเรามีคุณค่ามากไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งคือใจใจเป็นสมบัติอันสำคัญสำหรับเราทุกคนแต่ใจถูกอะไรบ้างที่มาทำลายมาเกาคกลวน อยูงเสมอจนตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เราผู้เป็นเจ้าของจึงต้องเข้มงวดตวดขันระมัดระวังต่อตู้ด้านทานกับสิงที่เป็นมาดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของเราด้วยวิธีการต่างๆหนักบ้างเมาบ้างเป็นหน้าที่ของเราจะต้องผู้ท่องอดต้องทนเพื่อสมบัติคือจิต อยูให้อยู่ในภรอครองของหลักนักปราชญ์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างนั้นท่านมาได้ปล่อยตามยาถากรรมเพราะเราไม่ใช่เป็นคนประเทศยะถากรรมซึ่งควรจะปล่อยอย่างนั้นชัตติเราก็มีพอ ร, ร, รึกรู้ว่าผิดว่าถูกปัญญาเราก็มีพอคิดพออ่านว่าจะปฏิบัติอย่างไรแก้ไขอย่างไร นอกจากนั้นอัตธรรมเราก็เคยได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ตามตำหักตำลาซึ่งพอที่จะเป็นกําลังช่วยส่งเสริมความรู้ความฉลาดหรืออุบายต่างๆให้เราได้ดําเนินงานต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งกําลังมาแย่งสิ่งเอาจิตอันเป็นสมบัติสําคัญนี้ไปจากตัวของเราเราต้องพยายามต่อสู้เพื่อ จิตสมบัตินี้ได้เป็นของเราอยู่ในความคุ้มครองของสติปัญญาเราจะ ม, มีความผาสุกใจเป็นของมีเจ้าของมีสติปัญญาเป็นผู้รับผิดชอบเราไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตามยาถากรรมความปล่อยเป็นไปตามยาาถากรรมนั้นไม่มีผลดีอันใดที่จะเกิดขึ้นนอกจากจะเพิ่มความเดือดร้อนเสียหายไปโดยลําดับเท่านั้น เมื่อเราทราบทัดแล้วเช่นนี้เราจรึงไม่ควรที่จะปล่อยใจให้เป็นเช่นนั้สู้กันจนถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายก็สู้เมื่อถึงการที่จะสู้เพื่อความดีสำหรับตนนักปราชญ์ทั้งหลายท่านเคยทําอย่างนั้นท่านเคยสู้อย่างนั้นท่านจึงได้นําอุบายวิธีการต่อสู้ต่างๆกับสุ่มทั้งหลายที่ไม่ดีมาสั่งสอนพวกเรา โดยที่ท่านเคยดำเนินและได้ผลมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกในธรรมที่ว่าไว้แปดหมื่นสีพันพระธรรมมาขังนั้นล้วนแล้วตั้งแต่อุบายุธิที่จะตามยื้อแย่งเอาจิตกลับมาจากสิ่งไม่ดีคือสิ่งที่ต่างทา ง, ท, ง, งทั้งนั้นแล้วองค์ไหนที่จะไม่รับความสะดุที่จะเน้น อยู่สบายๆมีจำนวนน้อยมากท่านคนจะมีสักรายหนึ่งก็ก็ทั้งยากที่ว่าประเภทอุคติกันอยู่พอได้รับเข้าว่าจากพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งแย่แฉมสายเบิกบานบรรลุธรรมขึ้นมาถึงมุตติค้นไปอย่างนี้นั้นในจำนวนทันคนจะเอาสักหนึ่งคนก็ทั้งยากนะนอกกนั้นเป็นประเภทที่จะต้องถากต้องฟัน ันอย่างเต็มกำลังความสามารถเราก็เป็นจำนวนหนึ่งเราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนคนทั้งหลายนี้ดังนั้นการนำเนินของเราเราจึงควรนำเนินแบบนักปราชญ์ทั้งหลายท่านนำเนินกันในประเภทที่ว่าลดจากปุคติการูลงมา บางองค์ท่านทำความเพียรเดินจงกรมเราฟังดูจนฝ่าเท้าแตกฟังดูเดินขนาดไหนฝ่าเท้าถึงได้แตกถ้าเดินธรรมดาแล้วจะไม่แตกต้องเลยธรรมดาวำาเลยธรรมดานี้ความเพียรก็ต้องเลยธรรมดาการฝ่าฝืนการอดทนการต่อสู้ทุกแง่ทุกทุกมุมระหว่างชิวิส กับสติปัญญาศัทธาความเพียรต้องเต็มภูมิต้องเลยธรรมดาถ้าธรรมดาแล้วฝ่าเท้าจะไม่แตกแล้วบางองค์ก็ไม่หลับไม่นอนจนจักขุแตกเช่นอย่างพระจักขุบาลเป็นต้นขณะจักขุแตกหมด ตาในก็สว่างช้าขึ้นมามีตาทกรรตะที่ดวงทำรรตากดขึ้นภายในจิตใจเราคิดดูเอามาเทียบเทียงกับพวกเราทั่นนลบากหรือไม่ลาบากขนาดตาแตกไม่ลาบากมีหรือคนเนากดคนอย่างยิ่งฝ่าฝืนกับจริงต่ำหรือต่อผู้กับฝ่ายต่ำอย่างยิ่ง ขนาดจักสุบอร์ดก็มีเราคิดดูบรรดาพระสาวกที่บำเพ็ญมาและพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญมาก็ต้องฝ่าความลำบากลำบนมาเช่นเดียวกันกับพวกเราที่ดำเนินอยู่เวลานี้เพราะเรื่องของกิเลสนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะแก้ได้อย่างง่ายได้ เป็นเรื่องที่เหนียวแน่นแก่นสําคัญที่สุดก็คือที่เหละทุกทุกประเภทซึ่งจะต้องทุ่มเทกําลังเต็มความสามารถฉลาดรู้ทุกแง่ทุกมุมพอที่จะแก้ไขมันได้มันถึงจะหลุดลอยองไปตามอํานาจของสติปัญญาตัดทาความเทียมที่เหนือมันแนวลายไหนที่จะรับความสะดวกสบายไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องประกอบความภาคเพียรความอดทนอะไรต่างๆนี้พันคนก็หาได้ยากว่าจะมีแั่คนหนึ่งก็ยังทั้งยากเนี่ยคือดูดเมื่อได้รับความลําบากลําบนขึ้นมาให้พึงเทียบอย่างนี้เพื่อเป็นจักรีพยานหรือเป็นกําลังใจของเราอันเรื่องมรคนนิพานนั้นพร้อมอยู่แล้วด้วยกันเพราะเป็นความจริงอยู่กับใจ ขอพยายามขุดค้นลงไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเถิดเป็่งความเพียรพยายามเป็นต้นนี่แลคือเป็นทางที่จะให้ถึงธรรมโดยลำดับหากเกิดความทอแท้อ่อนแอขึ้นมาก็ถึงยึดพุทธทางเท น, นังคะฉามิมาเป็นคติตัวอย่าง ว่าพระองค์ท่านลำบากแค่ไหนก่อนจะได้จัดสรุ้ธรรมแสงค า, างสนังกระฉามิบรรดาพระสงฆ์สาวกที่ออกมาจากสกุลต่างๆไปบำเพ็ญทดอยู่ในที่ลำบากลำบนโคนต้นไม้ภูเขาชายเขาในป่าที่เปลี่ยว เหล่านั้นท่านจะรับความทุกข์ความลําบากแค่ไหนกี่ดูเราอยากเข้าใจว่ามีความลําบากเพียงเราซึ่งทำความภาพเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราคิดอย่างนี้มันก็เป็นคติเป็นเครื่องหนุนกาลังใจของเราให้มีความ ก, วกล้าหาญาขึ้นมาความจริงคือธรรมอันกระเสริอ นั้นย่อมจะปรากฏไปได้โดยลำดับเพราะความเพียงดังที่กล่าวมานี้ไม่หนีความจริงไปได้ธรรมะแปด0มื่นสพันก็ธรรมขันรวมลงในมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นเครื่องมืออันเหมาะสมและทันกับที่เหลยกทุกประเทศอย่างยิ่งควรจะนำมาแก้ได้ ให้หลุดรอยไปจากจิตใจเช่นเช่นเดียวกับครั้งพุตธากามไม่มีธรรมะข้อไหนที่จะลดหย่อนอ่อนกำลังไม่สามารถจะแก้กิเลสได้เหมือนครั้งโน้นเป็นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาหากจะอ่อนแอก็คือผู้ดำเนินงานคือพวกเรานี่เท่านั้นเป็นผู้อ่อนแอควรทรรมท่านไม่อ่อนแอ นั่นจึงควรฟิตตัวของเราขึ้นให้เป็นผู้เหมาะสมกับเครื่องมือที่พระองค์ท่านประทานให้แล้วด้วยพระเมตตาบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนำไปคทศปฏิบัติผลที่จะพึงได้รับจะไม่ผิดแปลกอะไรจากข้างพูทธการนั่นเลยเพราะข้างโน้นกับข้างนี้กิเลสเป็นประเภทเดียวกันความโลภความโกรธความหลงเคยมีอยู่ บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในข้างโน้นกับมีอยู่กับบรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในข้างนี้เป็นประเภทเดียวกันจะพึงหมดสิ้นไปจากจิตใจหรือเบาบางลงไปด้วยธรรมประเภทเดียวกันคือมัตติมาปฏิปทาไม่มีธรรมใดที่จะเหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสและทําให้กิเลสอ่อนตัวลงไป นอกจากทรรมที่กล่าวนี้ในเวลานี้เราก็จำได้ทุกคนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะเนี่ยมาจึงถ้าความเฉลียวฉลาดอุบายต่างๆของสติปัปญญาที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ทันกับเหตุ ก, การณ์คือฤิเสิสมันก่อตัวขึ้นมาด้วยอาการใดสติปัญญาก็ให้ทันเนย สรุปสุดท้ายชัมมาสติชัมมาสมาธิเนี่ยเขาบอกว่าสติสติเป็น้ำคัญเมื่อนี้สติและจิตใจจะมีความมั่นคงต่อหน้าที่การงานทั้งหลายเอมเม็ดเ็มหน่วยในการทำงานแล้วผลจะปรากฏขึ้นเป็นความมั่นคงภายในจิตใจสอนข้างน้นท่านก็สอนแบบนี้ กิเลสทั้งน้นกับทั้งนี้เหมือนกันพวกเราปฏิบัติไม่ได้กําหนดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนักบวชหรือคารวะกิเลสมันไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นคารวะมันเป็นกิเลสเต็มตัวของมันการนําธรรมะเข้าไปแก้เมื่อถูกตามพระอว่าที่ทรงสอนไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคารวะเป็นผู้แก้กิเลส กิเลสย่อมหลุดลอยไปได้ด้วยเครื่องมือคือธรรมมีมัตจิมาปฏิปทาเป็นต้นจะไม่นอกเหนือไปจากธรรมเหล่านี้ได้เลยท่านสอนว่าอัตติอัตโนนาโถให้ตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะปกติ เรามักจะหวังพึ่งผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาตามนิสัยของมนุษย์เราเป็นเช่นนั้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชคารวาัตรเด็กหรือผู้ใหญ่แม้ี่ถูกเท่าแก่ชร า, ามาแล้วก็ยังต้องหวังพึ่งผู้อื่นอยู่เสมอตามนิสัยมันเคยเป็นมาอย่างนั้ น, ท, นท่านจึงพยายามให้พระองค์ตรัสทานพระโอวาทแล้วว่าอัตติยุติอนุสูรให้ตนเป็นที่พึ่งของตอน เมื่อได้รับโอวาจากครูจา ก, จกอาจารย์นิเดศศึกษาเราเรียนจากตำหนักตำราแล้วให้นําโอวาดรู้คำสั่งสอนเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข่าศึกภายในตัวของเราโดยความหวังพึ่งเปนพึ่งตายกับธรรมเหล่านี้จ้องไปหวังพึ่งผู้ใดในขณะที่ประกอบความภาคเภูมิอัตตาหนคูนาโถ ยิ่งเวลาจนกรอบจนมุมมาด้วยแล้วสติกับปัญญามันเข้าประชิดกันเป็นกับตายก็เราไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้แล้วเวลานี้นั่นแหละคนเราจะเป็นอัตตาเยงกนโหนโถงตนขึ้นอย่างชัดเจนก็เวลาจนสอบจนมแต่เราไม่อยากจะให้ถึงขั้นนั้นแล้วค่อยเป็นอัตตาเหี่ยงกนโนโถอยากให้เป็นไปโดยลําดับให้พยายามพึ่งตัวเอง ด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียงไปเดิมหนักจนถึงกับความพึ่งตนเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มขั้นเต็มภูมิการฟังครูบาอาจารย์นั้นก็ เ, เป็นประเภทหนึง่งเพื่อจะนำอุบายเข้ามาช่วยตัวเองอันเป็นลักษณะของความพึ่งตัวเองความดีความสุกความสบาย มีอยู่กับทุกคนถ้าเราพยายามทำตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ า, ราเราจะเจอความสงบเย็นใจไปโดยลำดับความแปลกประหลาดก็คือใจจะเป็นผู้แสดงอาการอันแตกขึ้นมาเมื่อได้รับการรู้ฟื้นรับการถอดถอนสิ่งที่กดขี่บังคับจิตใจให้หมอบหรือให้เสือกคานอยู่ตลอดเวลา ออกมาได้โดยลำดับจิตจะแสดงความเป็นอิสระขึ้นมาความเป็นอิสระของจิตไม่เหมือนอะไรเป็นอิสระแต่จะแฝงขึ้นมาด้วยความแปลกประหลาดที่อัศจรรย์พร้อมกับความสุขที่เกิดขึ้นโดยลำดับตามกาลังแห่งจิต ท, ที่มีอานาจขึ้นมาด้วยอานาจแห่งความเพียรคือสติปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขความสุขที่เราพึงหวังที่น่นที่นี่การนุ่นสมัยนี้ วิธี่น่นจะมีความสุขที่ความสุขนั้นมันวาดภาพหลอกเจ้าของกำหนดลงที่ใจซึ่งกำลังเป็นความทุกข์ความลำบากหรือสร้างความกังวลให้แก่ตอนอยู่เวลานี้ด้วยสติปัญญาด้วยความอดความทนต่อสู้โดยถือจุดนั้นเป็นจุดพิจารณาหรือเป็นสนามรบเป็นชัยสมรภูมิหรือเป็นเวที มันยุ่งขึ้นที่ตรงไหนจะดูความยุ่งอันนี้เหนรุยที่นี่ถ้ามันยังไม่มีกําลังขอกเอาพุโทโธตั้งไว้ที่ตรงมันมันยุ่งยุ่งนั้นทียิบเข้าไปความยุ่งนั้นก็หายความมุ่นวายก็หายไปเพราะ อ, อํานาจแห่งความบริกรรมที่ยิบในงานอันเดียวในคําบริกรรมอันเดียวจะเป็นพลังขึ้นมาแล้วเป็นความสงบสุขได้ในเวลานั้นยิ้มแย้มได้ในขณะนั้นทีเดียว ให้อยากดัดแปลงตนเองเราพึ่งตัวของเราได้เราอยากไปหวังพึ่งใครมากยิ่งกว่าการพึ่งตัวเองเราเคยพึ่งผู้อื่นมาหนาเป็นเด็กก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พี่เลี้ยงนางนมเติบโตขึ้นมาก็พึ่งคนนั้นคนนี้พึ่งมาเรื่อยๆจากนั้นมาก็มาวัดมาวาฟังธรรมจังชินก็พึ่งครูพึ่งอาารย แล้วมันยังหวังพึ่งไปเรื่อยๆเวลาจะเป็นจะตายก็จะพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้ตอนนั้น่ะจะพึ่งไม่ได้เราต้องสร้างที่พึ่งไว้เสียแต่บัดนี้ให้เป็นที่พึ่งได้เป็นที่แน่ใจภายใจิตใจของเราแล้วก็ปล่อยวางในการที่จะพึ่งใครๆทั้งหมดเป็นเอกสิทธิ์หรือเป็นอิสระภายในตนเองไปอย่างยิ่งแย้มแจ่มใสท่านเรียกว่าสุ ข, ขะโตไปดีไปอย่างสะดวกสบาย ไม่มีความกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดเพราะได้แจ้แล้วแล้วเข้าอยู่ในหลักว่าอัอาตตาอิจนาโถควรแก่ตนเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วหรือควรแก่ความเป็นที่พึ่งให้ตนได้อย่างอื่นแล้วนั้นยิ่งไม่มีความความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทั้งหมดแม้ที่สุดธาตุขันมันกำลังจะแต่กระจายอยู่นั้นก็ดูได้อย่างถนัดทัดเจนว่านี่ความประชุมอัน แห่งาธาตุแห่งขันอันเป็นกองส ม, มุตินี้มันกำลังจะกระจายจากกันกำลังจะแตกสามัคคีกันมันรวมกันเป็นก้อนมานี้ตั้งแต่วันเกิดจนมาัึงชิง้นบัดนี้วันนี้มันกำลังจะแตกให้เราเห็นอย่างแท้จริงเช่นนี้แต่จิตใจเราไม่ได้ว่าวุ่นขุนมัวไปกับความแตกของาธาตุของขันอันเป็นส่วนส ม, มุตินี้เพราะจิตเป็นจิตจิตไม่ใช่าธาตุมาเชอขันไม่ใช่ดินน้าลมไั จิตเป็นจิตทาเป็นธรรมรมกับจิตเป็นอันเดียวกันอะไรจะแตกอะไรจะดับไม่มีใครที่จะรู้ละเอียดเลือกเส้ิยิ่งกว่าจิตจิตนี่เป็นนักรู้รู้มาตลอดเวลาไม่เคยละความรู้ยิ่งได้มีการอบรมส่งเสริมจิตใจโดยทางสติปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับการเวลา นี่เรียกว่าสร้างอัตตาหิอัตโนุมาโถขึ้นอย่างเต็มที่อะไรจะแตกก็แตกไปจิตเป็นจิตเราเป็นเราหมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หวังพึ่งพิงอะไรอีกแล้วกับสิ่งแบบนี้เราเป็นเราเราเป็นอิสระอันนี้จะแตกไปเราก็ไม่ได้แตกอันนี้จะชิบหายลงไปไหนธรรมชาติของเราแท้ก็ไม่ชิบหายไม่วิตกวิจารกับสิ่งที่รวมกันที่เรียกว่าก้อนกาย จะสลายตัวไปลงไปแบบไหนลักษณะใดก็ไม่มีปัญหานั่นแหละท่านเรียกว่าสุขโตอยู่ก็สุขโตไปก็สุขโตด้วยอํานาจแห่งความดีที่เราปุกฝลจิตใจของเราให้เป็นที่พึ่งของตนได้สาระคุณอันสำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่วาดภาบไปโน่นไปนี่ว่านั่นจะเป็นความสุขนี่จะเป็นความสบายอันนั้นมันหลอกเราต่างหาความจริงจะแท้มันอยู่ที่ตรงนี้ ผู้ที่หลอกก็คือใจเนี่มันหลอกไปนู้นไปนี้เข้าไปตามมันแล้วก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรนั่นก็หลอกไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อมันเรื่อยไม่เคยเห็นโทษของมันถึงพยายามพิจารณาจุดที่มันหลอกได้ใจจิตเป็นผู้หลอกมันปรุงมันแต่งเรื่องต่างๆเอาสติปัญญาจับเข้าไปตรงนั้นมันก็รู้เรื่องเห็นเรื่องผลแล้วมีทางแก้ไขดัดแตลงกันแล้วก็ค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปไทยทั้งหลายมันก็ไม่เกิด เมื่อมีภัยรบกวนใจก็สบายใจก็ผ่องใสเหมือนน้ำที่มีสิ่งรบกวนมันก็ใสสะอาดสะอาจากมลทิด